มีอะไรบ้างนั่นะธาดดตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ไม่สำคัญธาตุเงินสำคัญ <c oughs> ไอ้เงินน่านแบงสำคัญกว่าเนะยวันนี้ก็ขอแนะนำธาตุสี่แรงไม่็ดีเนีย่ยไปได้แค่ไหนก็ไม่ทราบคำว่าธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ลงความร่างกายเป็นประกอบที่ธาตุสีคือธาตุดินส่วนใดที่เป็นของแข็งอย่างเนื้อหนังกระดกูกเช่นเอ็นอย่างนี้เป็นธาตุดินของเหลวมีน้ําลายน้ํำมกูกน้าเลือดน้ําเหลืองน้นําหนองวัตวะอันนิธาต์น้ําธาตุลมคือการที่ไหลไปมาคือลมหายใจเขาออกนี่เป็นธาตุลมความร้อนในร่างกายเป็นธาตุไฟ ธาตุเต็มสีอย่างนี้ถ้ายังสมบูรณ์เพียงใด <c oughs> ไม่มีธาตุใดบกพร่องร่างกายก็ไม่ป่วยถ้าธาตุอย่างใดยังเนินบกพร่องขึ้นอาการป่วยก็เกิดขึ้นเข้าใจไหม <c oughs> จบป่วยแล้วไนงะป่วยเดินไม่ไหวให้จบถ้ายังไม่ตายแขงคลานต่อไปได้นะ ก็ลองควาาว่าร่างกายของเรามีธาตุสี่ข้าประกอบกันแล้วก็มีอีกสองทาตมที่เข้ามาผสมคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุคือสิ่งที่ช่องว่าในร่างกายากายเข้าไปเต็มวิญญาณธาตุคือความรู้สึกที่เรเรียกว่าจิตรวมจริงๆและร่างกายมีอกธาตุแต่ธาตุยืนจริงมีสี่ธาตุ สำหรับท่าสีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นสมถะภาวนาถ้าเราใช้ท่าสีนยะกรรมฐานกองนี้ไม่ใช่กรรมฐานทรงตัวไม่ใช่ยึดอารมณ์ทรงกูมเป็นกรรมฐานกองพิจรารณาคือใช้อารมณ์คิดนี่ถ้าว่าจะใช้อารมณ์คิดเฉยๆไม่มีหลักประการจะไม่มีสมาธิเป็นที่ตั้งไม่มีรมทรงตัวจิตจะวอกแวกกระสับกระสายได้ง่าย แต่นั้นท่านยังบกว่าก่อนที่ทํากรรมฐานกองใดกองหนึ่งทั้งหมดต้องใช้อานาปานุติยืนพื้นฐานคือลมไม่ใจเขาออกเห็นไหมที่บอกแลว้วเมื่อคืนนี้ ว, ว่ากรรมฐานอี่สารทีเก้ากองขึ้นกับอนาปานุติกรรมฐานขึ้นรมให้ใจเขาออกในก่อนที่บรรดาท่านพุทธไวสัทจะพิจารณาท่าสี่อันดับแรกจะกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนให้จิตทรงตัว เมื่อจิตพ้นจากความกระสกรสายมีการทรงตัวพอสงควรที่เรียกว่าเข้าถึง อ, อุปจารสมาธิก็ดีหรือว่าเป็นขณิกสมาธิก็าตามคำว่าขณิกสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอุปจา ร, า, บบ า, า, ารสมาธิแปลวสมาธิเฉียดชานขณิกสมาธิที่ว่าสมาธิเล็กน้อยก็หมายความจิตทรงตัวได้ไม่นานนะักคิดถึงลมเข้าออกก็ดี คิดถึงคำภาวนาก็ดีอย่างนี้ทรงตัวไม่นานประเดี๋ยวเดียวจิตก็กระสับกระสายอย่างนี้จะเรียกว่าขณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่ต้องผ่านจีติต้องเข้าถึงจุดคีติคือความอิ่งใจก่อนเวลานั้นจิตจะมีความชุ่มชื่นเมื่อลมสบาย จิตก็จะมีสภาพทรงตัวทรงสมาธิดีมีรมปลอดโป ร, ร่งปัญญาก็เกิดตอนนี้เป็นอุปจ า, าระสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยก็ตามสมาธิเฉียดชายอุปจ า, าระสมาธิก็ตามตอนนั้นก็ตอนนี้ไปก็แชารมพิจารณาต้องยืนหลักก่อนนะนั้นแช่นาฬิภาโนบุติคุมเข้ามา ต่อไปก็ใช่เรามองท่าสี่พิจนาตามความเป็นจริงเพราะตัปัญญาเกิดก็ร <c oughs> าร่างกายของเราจริงๆเนะี่มันมีท่าสี่คือท่าน้ำท่าดินท่าลมท่าไฟเอาเข้ามาประกอบร่วมกันเป็นร่างกายส่วนใดที่เป็นช่องว่างส่วนนั้นมีอากาศเข้าไปแทรกเป็นร่างกายที่รู้อะไรได้ก็ตามอาศัยปัญญาณทาคือความรู้สึก แต่ในทีนี้ต้องใช้สัพทจิต <c oughs> เอาสายจิตเข้ามาไปสนที่ในร่างกายจะมีความรู้สึกใช้ร่างกายได้ในเมื่อเราพิจารณาไม่ร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่อย่างเดียวธาตุน้ำธาตุนิรันดรธาตุลมและฝ่ยอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาต่อไปให้เป็นวิปัสสนาภาวนาเพราะกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานคิด ต้องคิดว่าส่วนใดเป็นดินส่วนใดเป็นน้ําส่วนใดเป็นลมส่วนใดเป็นไฟและมีความเข้าใจตา่างความจริงว่าธาตุดินน้ําลมไฟก็ตามถ้า <c oughs> หมดนี้จะก่อขึ้นมาเป็นตัวได้ก็อาศัยกิเลสตัณหาปาทางและภสุนั ก, กรรมกิเลสคือความเศร้า ห, อ, หองวิตกคืออารมณ์จิตเลว ตั้หาเอารมณจิตเร็วตั้หาความพยานอยากก็อยากได้ของเร็วๆอุปาทานโดยยึดมั่นถือมั่นตัวยึดมั่นของเร็วๆว่าเป็นของดีอาโกศลกรรมก็พยายามทําเอาสิ่งนั้นเข้ามาด้วยความไม่ฉลาดอากุศลแปลไม่ฉลาดรองค ว, มวามว่าร่างกายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดจากอารมณ์สกปรกคือกิเลสจึงมีร่างกายขึ้นมา ในเมื่อร่างกายเกิดจากพื้นฐานข้อรำที่เป็นกิเลสคือความสำลรกร่างกายจะมีความสุขไม่ได้ร่างชายยังมีการทรงตัวไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาวกวาทันและกุศลกรรมทีม่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญหาตัว น, นี้ที่โคนโพท่านทราบว่าร่างกายเกิดก็ต้อกำลังกับตัณหาจึงทรงพัฒนาคำเย้ยหยัน ตันหาในเลีชาติว่าเวลานี้เราชนะแล้วจะได้กอบรรดาท่านผู้บริสัทธ์คืนท ร, ราบว่าการเกิดของเรามาจากความชั่วของจิตถอารมณ์ความชั่วของจิตไม่มีคำว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีและการเป็นโยดาและผมก็ไม่มีต้องไปนิพพานในเมื่อเราเกิดมาเพราะกำลังความชั่วมันบังคับให้เกิด ความชั่วบังคับกเกิดก็แลด้างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความชั่วก็บังคับกระร่างกายจงแก่ไปทุกวันในขณะที่ทรงตัวอยู่ร่างกายก็ต้องมีการป่วยไข้ไม่สบายได้นในที่สุดมันก็มีสภาพพังเหือตายในที่สุดเจนนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําว่าพิเกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลาย ร่างกายที่เป็นเพียงธาตุสีเข้ามาประชุมกันวันบรรจุโดยได้ทรงโดยได้เขากำหนดกิเลสตัณหากว่าฐานเรสนธกรรมบังคับตอนนี้ไปเราทราบแล้วว่าความชั่วทั้งสี่ในการสร้างร่างกายขึ้นมาเป็นปันจจัยแห่งความทุกข์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกก็ใช้ปัญญาพิจนาตามความเปจริงว่าร่างกายที่มีความสุขต ร, ตรงไหน ความเกิดไม่ได้เกิดก็เต็มเรื่ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมัยก็ทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆก็ทุกข์ความแก่เข้ามาทับผมก็ทุกข์ความรักผ้าเจ้าของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์รวงความร่างกายที่รับเต่ความทุกอย่างเดียวไม่เคยมีความสุขแท้จริงตอนนี้เป็นอะไร เป็นวิปัสนาญาณ น, นะฮะคือสรรมถะแห่งกองเดียวนี่เป็นได้ทั้งสมถะวิปัสนาเห็นเป็นธาตุน้ําดินลมไฟเป็นสมถะภาวนานเห็นว่ามีสภาพเป็นทุกข์ที่เปรียสัตว์เป็นวิปัสนาญาณในเมื่อร่างกายมันเป็นทุกอย่างนี้เราต้องการอะไรมันอีกถ้าเราจะเกิดอย่างนี้ดีชาติเราก็มีความทุกอย่างนี้ทุกชาติ เราไม่เกิดเป็นคนจะเกิดเป็นเทวดาด้วยผมเทวดาก็ดีพระโมดีต้องอยู่ที่กําลังขงบุนบรารมีถ้าบุญบรารมีหมดไปไรก็ต้องหล่นมาเกิดเป็นคนแล้วดีไม่ดีก็ลงอไปยภูมิไปกลวงความนะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ดีเฮ้ยใช่รูไม่ดีแล้วเกิดมาทำไมไงเขาบอกเขาเกิดเพรนะาะความโง่ฉันไม่ได้โง่ตาม ใจเกิดมาเพื่อพิสูจน์ความทุกข์แนหลบไปอันดภาน <c oughs> ความจริงมันจะมีใครพิสูจน์ความทุกข์ไม่รู้บรรทุกไงนะแต่ความจริงอตอนนั้นมันอาจแย่ทุกข์ถ้าเราอยู่นอาบายภูมิเนี่ยมันทุกข์มากเป็นสัตว์นรกทุกข์ไม่มีคามาศกทั้งร้อนร้อนเด้วยไฟไฟมีกำลังร้อนกว่าไฟเมืองมนุษย์หลายร้อยเท่า ถ้าเป็นเปรกก็เต็มที่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นอสุรกายก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นสติชานมีความทุกข์มากกว่าสุขเพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังก็มาเป็นคนว่าทุกแบบเนี้ใช่ไหมอาจารว่าเรามาจากใบภูมิมนุษย์ที่สุขมากแต่ว่าถึงมนุษย์เรากลืกนลทุกข์เก่านะ ก็มองความว่าการเกิดของคนไม่มีใครโง่วไม่มีใครหลาดใช่ไหมมาด้วยตาพน่าของกฎของกรรมซึ่งคือคอกุอสนะ ก, กรรมเพราะว่าหนึ่งกิเลสความเศร้าหมองข้อจิตของเรามีตัณหาความปิยานอยากในสิ่งที่ไม่ดีของเรามีอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีของเรามีอคุสนะ ก, กรรมทํำสิ่งที่ไม่ดีที่บ่าดี ก็เป็นประจยัยเกิดใช่ไหมแต่ว่าการเกิดของพวกเราบรรดาญาโยมพทุทธบริษัทก็จงอยาคิดว่าเกิดชาตินี้เป็นชาติแรกก็จงอยากคิดว่าเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย <c oughs> เรายังพอใจการเกิดเพียงใดก็เกิดเพียงนั้นใช่ไหมก็ลองคว้าว่าก่อนที่จะบรรดาแต่พทุทธบริษัทจะเกิดมา ได้กว่าจะมีความเข้าใจในธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจคำว่านิพพานอันนี้แสนยากมากคนที่จะเข้าใจคำว่านิพพานได้เนี่ยต้องเกิดมาเกิดมาชั่วแสนชั่วนับกลับไม่ถ้วนลวต่อมาก็เริ่มดี เริ่มดีในหมายความเริ่มจิตเป็นกุศลรู้จักให้ทานุจักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาบ้างมาเรื่อยๆมาต้นต้นมาจนทั้งคาดสุดท้ายไปถึงนี่ถ้าเป็นสาวกภูมิต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็หนึ่งอสงไขแลขแสนกลับเกิดในไอที่มันมาเกิดในภพนี้เขาไม่คิดเป็นเทวดาหรือผมแริ่สัตว์นรกปเขาไม่คิดคิดจะพอมาเกิดอย่างน้อยที่สุด ต้องบำเป็นบา ร, รมีมาแล้วจะน้อยสุดหนึ่งอสมคายกแสงกลับถ้ <c oughs> าสงคายเนี่ยแปลว่านับไม่ท้วนนับไปนับไปนับไปจนนับไม่ถ้วนแถมยิ่งแสงกลับเขินใจไหมแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตนเต็มขนาดนี้ไม่มีแต่คนที่จะเข้าใจคำนิพพานนี่ต้องบาเพ็ญบา ร, รมีมากกว่านี้นั่นเป็นเพียงแค่หลักสูตร จริงๆิงแล้วปฏิบัติต้องทำกมามมากกว่าการเรียเข้าใจคาว่านิพานจริงๆต้องมีบารมีเป็นปรมัตรบารมีถ้าบารมีไม่ถึงปรมัตรบารมีนี่คำว่าเขานิพานนี้ไม่เข้าใจแน่ใครจะอธิบายอย่างไรก็ตามแค่พยักหน้าตามไปทำนันเองใชนิพานปฏิโยรตุมึงตุก็ตุดวยเข้าใจไหม <laughs> นี่เขาว่าอะรเงั้นโตตุน่ก็โฮตุกามยอมัวแล้วไม่รู้มาตุกคุณก็โตกับมันเน่ยอันนี้มาก่อนได้ยินบ่อยต่เล่นเข้าใจนิพพานพึ่งเมย์ระยะนี้แต่ก่อนนิเทศมาเทศมาจริงประมาณยี่สิบปีไปตามสถานที่ต่างๆเขาคุยเรื่องนิพพานกันได้มีบางสำนัก้าไปถึงบาสุบุริการคุยนิพานขั้นเจ้า ไล่ไปได้มาถามโยมจะ่างปฏิภาณสินห้าครบหรือไม่ครบครับเราโยมยังลงอาเวจียอยู่ปฏิพานได้ยังไงจะรวงความการแยกเข้าใจปฏิาพาณต้องเป็นเป็นบา ร, รมีม า, มามากก็ต้องเป็นปรมาภิรมีดังนั้นคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไดมีความเข้าใจปฏิา พ, าพานโยมทราบว่าแท้ไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวเกิดมานับกลับไปทวนกลับจะเกิดอีกครั้งก็ไม่รู้ใช่ไหม หนึ่งใช้เวลายาวมากนับปีก็ไม่ได้จะนับร้อยปีก็นับไม่ถูกถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ท่บอกว่าเหมือนกับภูเขาหินล้วนไม่มีดินปนเลยแข็งสูงหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดถึงเวลาหนึ่งร้อยปีเทวดาผ้าเนื้ออ่อนมาส่งรีมาปัดแัดบหนึก็ไป ร้อยปีปัดีร้อยปีปัดทีแล้วก็ไปอย่างนี้จนถ้าพวกเขาท่าไม่มีหินเหลือเลยนั่นเป็นเวลาหนึ่งกับข้อเปรียบเทียบดีไหมนานเหลือเกินดังนอย่างกลับนี้จึงมีพระพุทธเจ้าทรงได้ทั้งสิบองค์หายยากในเวลาหนึ่งกับขนาดนั้นเราเกยดกับกี่ครั้งก็ไม่ทราบถ้านับกลับจริงๆยังนับไม่ได้นับไม่ทวนถ้าต่อไปก็แถวริษัทกลับนี่เปนดับต้น สันดับสาวกภูมินะถ้าพวกวัฒนาพุทธภูมิจะเป็นพุทธเจ้าต้องใช้เวลามาเป็นบรมีเสียสงคายกระแสงกัดบ้างแปดสงคายกระแสงกัดบ้างสิสงคายกรแสกัดบ้างที่เวลามากการเกิดของเราแต่ละชาติเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกันทุกชาติทุกชาติเกิดแล้วก็มีแก่เหมือนกันมีป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกัน มีพัดพลาดเจตของรักของชอบใจเหมือนกันมีความตายเราทุกทสดเหมือนกันก็งความไว้ของบรรดาญาโยมพระทบษัทคิดว่าการที่เราเกิดปณนนิพัทธ์จิตสกปรกบป็นเรื่องพืน้นฐานต่อนนี้ไปเราจะกําจัดกําลังใจให้สะอาดวิธีกำจัดกาลังใจสะอาดเท่าไหร่ตามแบบมันยากเลยเกิดแต่ว่าถึงวิธีปฏิบัติตไม่ยากยากมาม อยากว่าอยากเป็นไม่นอะถามว่ายากไม่อยากบอกพูดไปได้เราพูดเราได้ยินเนี่ยเราพ่อพ่อพูดว่ายากก็คนชั่ว น, นั่ น, นผมพูดไป่ได้ก็วิธีปฏิบัติจริงๆแล้วทําแบบนี้นะถ้าหากว่าดูตามหนังสือเนี่นไปไม่รอดเอาจริงๆในการคิดจะละโลกนี้กัน หันเขามองว่าร่างกายต็ยมัปภาตสี่ธาตุดินคือเนื้อหนังกระดูกเอ็นเช่นเอ็นธาตุน้ำอุดแ น, นตับตสาระวาวะก็ดีน้ำเลือดเนเหลืองน้ำหนองก็ตามน้ำเหนือก็ตามเป็นธาตุน้ำธาตุลมคือลมหายใจทีาออกธาตุไฟคือความร้อนร้อนในร่างกายทุกอย่างไม่มีการทรงตัวมันมีการเสื่อมลงไปทุกวัน ขณะที่มาทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์และมันก็เพิ่มความทุกข์หนักขึ้นไปทุกวันไม่มีการถอนทุกยิ่งแก่มากหนุ่มน้อยทุกข์มากอย่างฉันเนี่ยใช้แก่มากไหมเนี่ยตอบไม่มากหโว้ไปจจริงแช้ก็แก่ไม่มากใช้แก่คนเดียวเห็นไหมเชลุนก็แก่คนเดียวไหยเออความมาเมันก็แบกแต่ความทุกข์ ถ้าเราจะแบกความทุกอย่างนี้ด้วยความโง่เราก็ทุกไม่จบด้วยการเยียดเรื่องทุกพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะหมดทุกได้ก็ต้องเป็นพระรหันถ้ายังไม่เป็นพระรหันต้องไม่หมดความทุกเราจะเป็นได้ยังไงก็ใช้วิธีปฏิบัติวันนี้เป็นไม่ได้ก็เป็นวันหน้าปีนี้เป็นไม่ได้ก็เป็นปีหน้าระยะปกติเป็นไม่ได้เป็นวันก่อนตายใช ไอ้วันก่อนจะตายเราจะเป็นทหารได้โดยเพราะอย่างยิ่งคราววาดเนี่ยคราววาดเี่ถ้าจะเป็นทหารได้ต้องเป็นวันนั้นและนี่ผ่านวันนั้นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆที่เขาได้ผลจริงเขาทาแบบนี้ก้อนหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตที่ต้องตายไอ้ น, นี้ทิ้งไม่ได้เลยจะตายเมื่อไรก็าตามทีคิดว่ามันต้องตายแน่ รายการนี้สองไม่ประมาะแต่ไดต้ตามความดีคือยอมรับและถือพระพุทธเจ้าประทรนพระอริยสงฆ์ข้อที่สามพยายามคุมฉินหให้ทรงตัวมันพลาดบ้างละไรบ้างก็ไปขอธรรมาดาจะพยายามคุมมันไว้เสมอเสมอให้มันฉินต่อไปก็แช่บทภาวนาภาวนาไปาเจฉยๆคือคิดก็ได้ภาวนาทิาา้งลมใจเขาออกก็ได้ภาวนาเขาได้ อย่างนี้ให้จิตทรงตัวแต่งลังวันก็ไม่ต้องมากนะักแต่ก่อนจะหลับใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งใี้เวลาน้อยๆ อ, อย่าใช่มากให้คิดตามความมาจริงว่าถ้าเราหลับวันนี้มันจะตื่นเมื่ไม่ ต, มตื่นก็ไม่ทราบอา จ, จะตายก่อนตื่นก็ได้ถ้าจะตายเวลานี้ขอไปนิพพานแห่งเดียวหลังจากนั้นก็ใช้คำาวนาว่านิพพานสุขังก็ได้ ถ้าจ้งตั้งใจเพื่อนิพพานและภาวนาพททุทโธธรรมโมสังฆอะไรก็ได้แต่ตั้งใจว่าจริงๆว่าถ้าตายวันนี้หรือคืนนี้ขอไปนิพพานแห่งเดียวจิตหวังนิพพานแน่วแน่กภาวนาตามชอบใจพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่ต้องลุกจากที่นอนจิตมันจะเคลื่อนตั้งใจรวบรวมกลังใจนึกถึงพระพรุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้าจิตยาวไปนิดหนึ่ง ถึงบุญทานการอุทนี่เราเคยทํามาแล้วตามที่คุณคิดได้เราตามพ อ, อย่ายจิตเมงตุ่มคิดแค่ปสศบัติเทวไสหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นทุกอย่างนี้อขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคําว่าเกิดเพื่อมีความทุกข์ต่อไปไม่มีสําหรับเราถ้ารางกายนี้พังอะไรเขปาปณิพันธ์จุดเดียวหลังจากนั้นก็ภาวนาตามอัตยาสัย พอถึงเวลาสว่างที่เวลาทํางานกว่าทางา น, งานตามปกติวันนึกบา้ า, บา ง, งมันนึกบ้างก็ช่างมันแต่สองเวลานี้ต้องพยายามนึกให้ได้ใช้เวลาสักนาทีสองีก็ได้นะไม่ต้องมากนะให้จิตมันชินยืดท่างวันต่อมาตาตัวถึงเวลาปับ๊บมันจะคิดข้ามมันเองพอตื่นพับอารมณ์นี่คิดเองไม่ต้องมาครับอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นฌานในอุปสมานุติกรรมฐานเป็นฌานในนิพพานใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างนี้แต่บรรดาท่านพุทธวิษัทเวลาท่านป่วยวันไหนที่ท่านจะตายวันนั้นท่านเป็นพระราหันว่าพระราหันก็นิพพานวันนั้นนิพพานแล้วไปไหนฮะนิพพานแล้วก็จบขอเลยนิพายเข้าไป เ, เวจีนี่ก่อนที่จะจบหรือเวลาห้าวนาทีนะขอแนะนําบรรดาท่านพุทธวิษัชที่เก่าไม่สําคัญ ก็มีความเข้าใจแล้วในการเจริญพระกรรมฐานถ้าญาติโยมที่มาใหม่ภาพใหม่ที่นี่แต่เก่ามาจากที่อื่นท่านเคยภาวนาว่าอย่างไงพิจารณาว่าแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนการเจริญกรรมฐานย่อมมีผลเสมอกันถ้าญาติโยมที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยปฏิบัติตามนี้รลาย ใ, ใจเข้าน้นกกว่าพาุทร้ายใจออกเน้ว่าโธเอาเท่านี้น่ากวรจะหมดเวลา ตอนนี้ไปขุนดาญาติโยมเพื่อนสนิทัตย์นายโดยทุนนาตั้งใจสมาทานศีลสมาทานรกรรมฐาน